ออวันนี้เป็นวันที่เราเริ่มงานวางศิรเลิกเพื่อสร้างเจดีย์ที่วัดอรัญญบันพจน์นี้บรรดาญาติโยมผู้มีศรัทธาก็ได้พร้อมใจกันมาสนับสนุนส่งเสริมได้บริจาคทรัย์ สำหรับเพื่อเป็นทุนสร้างเจดีต่อไปมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาที่จะพึ่งให้เพนไปได้อันนี้ก็เป็นการบำเพ็ญบุญอีกประเภทหนึง่งขอให้เข้าใจ ผู้มีศรัทธาแรงกล้าคนนั่นก็บวชในคัมมาเรียว่าสมทานสินแปดรักษาไปแล้วแต่จะได้แก็เข้าใจว่าพากันรักษาตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นันแหละ แล้วก็เป็นอันว่าเมื่อได้วางศิลาลิกแล้วก็ลาสิกขากันไปประกอบการงานก่อนยังนับว่าเป็นการดีแล้วถ้าเราไม่ปารกงานอย่างนี้ก็จะไม่ได้สละบ้านเรือนมาช่วยงานช่วยการกันผู้จำสินก็จะไม่ได้จำสินแต่ เมื่อได้มีงานอย่างนี้ขึ้นมามันก็ถึงได้มีศรัทธาเกิดขึ้นอยากแอบวัดในคำมะคือประพฤติพรมจันทร์รักษาศีลแปดชั่วระยะหนึ่งเป็นการปฏิบัติปูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์โดยฐานที่เราเป็นหนี้บุญคุณของ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนื่องจากว่าเราได้เกิดมาได้มาพบพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้มามีศรัทธาเลื่อมใสได้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะชีวิตนี้เต็มไปด้วยภัยที่บตรอันตราย ต่างๆไม่ทราบว่าภัยพิบัตอันตรายจะมาถึงร่างกายในเมื่อไรก็รู้ล่วงหน้าไม่ได้แต่แน่ๆแล้วภัยคือความตายนั้นหลีกไม่พ้นเลยแล้วภัยความเจ็บป่วยนี่ก็ไม่แน่นะักอันนี้นะ่ะบางคนก็อาจไม่เจ็บป่วยแต่ไปป่วยเอาเวลาจวนจะ ทิ้นซีบทำลายขันทีเดียวเลยก็มีอันบุนีน้เอาแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นนะผู้ใดตื่นตัวผู้ใดมีความเห็นถูกต้องตามํานองครองธรรมคำสองวุธเจ้าผู้นั้นก็จะรีบขอนขายสั่งสมบุญกุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ในชีวิตนี้เราไม่ไว้ใจในชีวิตว่าชีวิตนี้จะอยู่ยั่งยืนนานไปถึงวันไหนเดือนใดปีใดรู้ไม่ได้เลยถ้าตายลงไปแล้วก็ไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลตายเป็นผีไปแล้วเขมีจะไปสวยผลบุญผลบาป ที่ตนทําอยู่ในโลกนี้เท่านั้นถ้าทําบุญถ้าบุญมากพอบุญก็ส่งให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึง่งบนสวรรค์ไม่มีพุทธศาสนาไม่มีพระสงฆ์สาวกของพระพเจ้าที่จะได้ทําบุญนําทานเหมือนอย่าง มนุษย์โลกของเราเนี่ยไม่มีเพราะต่างคนต่างทำบุญกุศลแล้วบุญกุศลมากพอบุญนั้นก็นนำไปเกิดสวรรค์สเสวยความสุขอย่างเดียวอยู่บนสวรรค์นั้นเลยไม่รู้จักทุกข์นเหมือนในท่านกล่าวไว้ในตำราว่าเทวดาบางตนหรือบางพวก เมื่อไปได้ประสบความสุขอันเกิดจากผลของบุญอย่างนั้นแล้วก็เพลิดเพลินลืมตัวไปยินดีในความสุขนั้นเรื่อยไปข้าสวรรค์ชั้นราดิงนี่มีสวนดอกไม้อันเป็นที่โสตะบกกรณอีอันเป็นที่ลงอาบตรง ไ่ายของพวกเทวดามีสวนดอกไม้เป็นที่ชมเชยก็มีอย่างนี้เรียกว่าสวรรค์อยู่บนดินนะสวรรค์ท่านดาวดิงนี่อยู่บนดินอยู่บนหลังเขาสิเลือราชส่วนท่านยา ม, มาท่านรุสิตท่านนิมมารา ด, าดี สั้นปรันิมิตวัสวัตถีขึ้นไปนั่นมีแต่วิมานลอยอยบนอากาศไอบุญของคนเราเนี่ยมันสูงมันต่ำขูก่กันเมื่อมันไออาอนวยผลให้ผู้ดใดมีบุญน้อยมันก็อํานวยผลให้เกิดชั้นต่ําผู้ใดมีบุญหลายมันก็อํานวยผลให้เกิดชั้นสูงขึ้นไป มีความสุขอันประนีตบรรจงกั่วกันขึ้นไปโดยลำดับมีอายุยืนยาวนานกั่วกันเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจแน่นอนแต่ผู้ที่ยังลา ก, กิเลสออกจากกิจใจไม่หมดในชาตินี้นะได้ทำความดีได้ละความชั่วให้หมดไป สังสมแต่กุศลคุณงามความดีไว้เช่นนี้แต่ว่าละกิเลสยังไม่หมดเมื่อหมดอายุสังขารแล้วมันก็ต้องไปเกิดในสวรรค์นั่นแหละ อ, อันผู้ทําบาปไว้ก็ไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เลี้ยฉานไปก็เช่นนี้แหละชีวิตของคนเรานะเพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวอยู่ว่า ตนยังสร้างสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มเมื่อเป็นเช่นนี้ตนจะต้องพยายามสร้างบุญกุศลให้เต็มเพื่อจะได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ดับเพลิงกิเลสโดยประการทั้งปวงในพระนิพพานไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสตัณหาอะไรอยู่ในนั้นเลย แล้วในพรนิพพานไม่ใช่เป็นเมืองเหมือนอย่างเมืองมนุษย์หรือเหมือนสวรรค์พรนิพพานนั้นน่ะมันมีหนึ่งเท่านั้นไม่มีสองเพราะฉะนั้นมันจึงหมดสมมุติหมดบัญญัติจะบรญญัติเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยมีแต่ว่าพรนิพพานนั่นเป็นอมตะธรรม เป็นธรรมอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดในภพน้อยพบใหญ่ต่อไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้ผ่านก็เรียกว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองอแล้วก็ไม่มีที่ตั้งด้วยที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนทั้งหมดไม่ได้อยู่บนฟ้าอากาศไม่ได้อยู่แผ่นดินไม่ได้อยู่ในน้ำไม่ไม่ได้อยู่ในดวงดาวดวงพระจันทร์ พระนิพพานไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกหน้าไม่มีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอ้าวถ้าอย่างงั้นพระนิพพานก็ไม่มีรทสิพระนิพพานมีอยู่คือบุคคลภูระราคะโทตามหะให้สิ้นไปแล้วก็ มรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอนั่นแหละพรนิพพานได้ชื่อว่าเป็นเป็นธรรมที่ไม่มีรูปร่างเป็นอนัตตาไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีตัวตนอะไรเลยไม่มีสองมีสามเป็นหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งเราก็หมายความว่ามันหมดวัญยัติแล้วจะไปบัญญัติเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้เลยอืม ดังนั้นนะขอให้พากันเข้าใจเรื่องพระนิพพานถ้าพูดให้ได้ความชัดๆก็หมายความว่าจิตตรงนี้แหละเมื่อระราคะโทสะโมหะมานสะิตถิสัพสังกิเลตน้อใหญ่ทั้งหลายหมดสิ้นไปแล้วถ้าจิตตรงนี้จะเป็นนิพพานเลยแบบนี้นะดังนั้นพระพุทธเจ้ายังปฏิเสธว่าไม่มีอยู่ในโลกนี้โลกหน้า ไม่อยู่อยู่ในพื้นดินอยู่ในอากาศอยู่ในดวงดาวดวงแพจันอะไรไม่มีจิมีได้ยังไงจิตตวงนี้ไม่ได้ไปยึดถือสิ่งใดเลยในโลกสันิบัตอันนี้นะ่ะไม่ได้ยึดถือเพราะจิตนี้วางโลกสันิบัตอันนี้ทั้งหมดังแเลยมันถึงไม่ได้ไปเกิดที่ไหนไม่ได้ไปอาศัยที่ไหนทั้งหมดเลย อ, อาศัยตัวเองก็ว่าได้ คือจิตอาศัยจิตเที่จิตนั้นชำละตัณหาเป็นต้นเหล่านี้หมดสิ้นไปแล้วความอยากความปรารถนาอะไรไม่มีในดวงจิตท่านผู้หมดอาสวะกิเลสตัณหาแล้วความอยากแม้น้อยหนึ่งก็ไม่มีลองพากันภาวนานึกพิจารณาดูจิตใจตัวเองดูสิ คราวใดถ้าจิตใจมันไม่ต้องการอะไรไม่อยากได้อะไรแล้วมันสบายไหมอ่เนี่ยไอพิจารณาดูใจตัวเองทุกคนนะแล้วคราวใดถ้ามันอยากได้อะไรตไนใดเนี่ยมันสบายหรือหรือมันเป็นทุกข์แน่นอนนะ่ะทุกคนก็ตอบตัวเองได้เลยแหละถ้ า, าว่าจิตนี่มันไม่อยากอะไรในขณะนี้เนยะมันสงบเป็นหนึ่งโยงนี้นะ มันก็มีความสุขมีอิสระเสรีเลยไม่ถูกกิเลสตัณหาเผาร้นให้เราร้อนแต่อย่างใดสมัยใดถ้าจิตนี่มันอยากได้อะไรต่ออะไรรินลนน้นกวนกยไปต่างๆนานายอย่างนี้ในสมัยเช่นนั้นเราก็รู้ได้แล้วว่าเป็นทุกข์ร้าย อันนี้ละตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้พากันพี่น้าดูให้เห็นเมื่อเราเห็นโทษแห่งตัณหาความอยากนี้ว่ามันเป็นทุกข์จริงเป็นทุกข์เห็นได้ในปัจจุบันนี้เองแหละอะืเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทํำยังไงก็ต้องละความอยากนี้ไปเรื่อยๆสิอ้าละความอยากแล้วจะได้กินอะไรบางคนอาจจะว่าอย่างนั้น พอเมื่อลนะความอยากแนละ้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสิอันนี้เรียกว่าเข้าใจยังตื้นไปยังขาดปัญญาดังนั้นจึงจะต้องชี้แจงสู่กานฟังมาคม ว, ว่าเราฝึกจิตนี้ไม่ให้อยากได้อะไรให้มันเป็นกลางอยู่งั้นแต่ ชีวิตอันนี้ยังอาศัยปัจจัยสี่อยู่ก็ต้องทำงานต้องทำการํำงานแต่ผู้รู้ทั้งหลายท่านก็ทำการงานที่ชอบการงานที่ไม่มีโทษอย่างนี้นะทำลงไปแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่ในสมบัติเหล่านั้นเพียงแต่ว่าทำมาเพื่อเลี้ยงอา t ภาพนี้ให้เป็นอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้หวังว่าจะกอบกวยเอาสมบัตินั้นมาเป็นของชัวของชนอะไรเลยถ้ากำหนดรู้ได้อย่างนี้ทำใจได้อย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะการที่เราภาวนา เ, เห็นแจ้งในสังขารร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรอย่างนี้นะ ก็เราก็รู้ไปพร้อมนะเวลาเราทำการทำงานอะไรจับโน้นบายนี้อะไรเรากำหนดรู้ว่าของเรนี้ไม่ใช่ของเราเพียงแต่เราอาศัยมันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองอปัญญาสอนใจให้รู้เท่าเลยไปเช่นนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่หลงวัตถุต่างๆ อันที่เราอาศัยเลี้ยงชีพอยู่เนี่ยเราไม่หลงมันหิดเราอยู่เหนือมันนั่นแหละผู้รู้อย่างนี้แหละจึ่งรักษาสินแปดสินสิบสินสองร้อยีิบเจ็ดได้เพราะว่าพิจารณาเห็นแล้วว่าบุคคลผู้บริโภคอาหารวันละหลายมือหลายคาบอย่างนี้มันก่อให้เกิดทุกข์ มันไปนอย่างนั้นทุกข์เพราะการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่พระพุทธเจ้าและพระอาราหันต์ทั้งหลายพระองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละเมื่อพระองค์ออกบวชแล้วจึงเทียบพิขาจารย์ได้อาหารมาแล้วก็ฉันมื้อเดียวแล้วแล้วไปเลยไม่สะสมอาหารการบริโภคไว้ ในเวลาอื่นหรือในวันอื่นไม่มีนักบวชนี่นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสมณธรรมมันก็จึงดำเนินไปได้คล่องแคล่วดีเพราะเห็นว่าผู้รับประทานอาหารมือเดียวภาพเดียวยงี้รับประทานได้พอดีพอดีอย่างนี้นะอาหารไม่ทับทัดอาหาร พอบำรุงร่างกายในพอดีพอดีพอทำการทำงานได้ดีดีดอเช่นนี้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้รู้ให้เข้าใจรู้ความจริงรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าปฏิบัติอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงไม่ประมาทจึงได้ยอมเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆ น, นั่นเข้าวัดเข้าวา่าเอาปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอมันก็จะทำกิเลสนี้ให้หน้อยเบาบางไปโดยลำดับ ผู้ใดละกิเลสให้น้อยบาบางได้เท่าใดทุกมันก็บาบางไปเท่านั้นอย่างนี้นะเรื่องนี้พี่นะมันเห็นด้วยตนเองถอาบริสาสมกิเลสมากเท่าใดก็ต้องได้ประสบความทุกมากเท่านั้นมันไปอย่างนี้เหตุผลมันไปมันไปตามกันมันบอกให้รู้ได้เลย ผลแหละมันบอกให้รู้ว่าเมื่อทําเหตุนี้มันได้รับผลเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเมื่อได้ประสบความทุกข์แล้วก็สาวหาเหตุมันไอความทุกข์เหล้นมันมาจากอะไรหนออย่างนี้นะเพือ่อ ม, มีปัญญาบารมีแข็กร้าก็จะมองเห็นว่าความทุกข์มาจากสัญญาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส อันเป็นที่น่ารักใครพอใจส่างๆผู้ใดยังยินดีอยู่ในกามคุณทั้งห้านี้ผู้นั้นจะได้ประสบความทุกข์ต่อไปยืนยาวนานเบื้องหน้านูน่นนะผู้ใดเป็นผู้เห็นโทษในกิเลสการรมวัตถุการรมด้วยปัญญาของตนเองแล้วเช่นนี้ ก็จึงได้เข้าวัดเข้าว่าบวชในคัมะรกันไปเพื่อที่จะกำจัดกิเลสในจิตใจนี้ให้น้อยเบาบังออกไปจา ก, ก จ, จิตใจเราเอาศีลเข้าห้อมล้อมตัวเองอยู่ศีล น, นั่นก็คือสตินั่นเองเนี่ยมีสีิสมบัติแง้คอยรมัดระวังกายวาจา ไม่ให้ร่วงสิขาบทที่ตนได้สมทานแล้วหนึ่งคอยระว่าระวังไม่ให้มันไปเผลอตบจูงตบลิ้นถ้าสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ต่างต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าสัตว์กับมนุษย์นี่มันอยู่ใกล้ ก, กันสัตว์ตัวเล็กมันยิ่งมาใส่มาทอมมนุษย์มนุษย์ผู้ ไม่มีคุณธรรมไม่มีเมตตากรุณาอยู่ในใจก็ปี้มันตกมันให้ตายไปเสียเยอะแ ย, ย, ยะเลยอืมเมื่อเรารักษาศีลแล้วอย่างนี้จะไปทําอย่างนั้นไม่ได้เอต้องให้อภัยมันเพราะนั้นมากัดมากินก็ต้องไล่ไล่มันไปเท่านั้นแหละเราต้องอดต้องท้อโยงบางตัวนะ่ะไล่ไปแล้วม า, มาิยกมาจี้เข้าไปบ เจ็บปากเผอตัวก็ตกปับเข้าไปแบนไปเลยเ น, นี่ยเรียกว่าขาดความอดทนขาดความกลมใจถ้ารู้ว่ามันมีโทษอย่างนี้แล้วมีสติระมัดระวังมีความอดทนเป็นพื้นฐานของจิตใจอวดเมื่อมีสติกำกับอยู่กับจิตแล้ว คนจะทำอะไรพูดอะไรต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนถ้าเห็นว่ามันผิดแล้วไม่ทำไม่พูดถ้าเห็นว่ามันมันถูกจึงค่อยทาค่อยพูดต่อไปคำว่ า, ารักษาสินก็คือรักษาสตินั้นเองสองเราจะไม่ถือเอาสิ่งของของผู้นาเป็นลูกตนโดยอาการแหงขโมยถือเอาอย่างขโมยถือเอารับหลังเจ้าของ สิ่งของเมื่อมองหนะ้ามองหลังไม่เห็นเจ้าของแล้วก็สวยเอาไปเมื่อเจ้าของมาไม่เห็นของเอาตัวหาที่ไหนก็ไม่พบก็เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละไปรักขโมยเอาของคนอื่นกระทาคนอื่นได้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วตนเองก็จะต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนต่อไปกรรมนั้นจะตามสนองอย่างนี้นะ ไม่ประพฤติผิดคมว จ, จันร์คือเป็นผู้ที่สำรวมระวังในกามทั้งหลายคือรูปเสียงปิ่นรดเครื่องสัมผัสทีเป็นผู้รังระวังคำพูดคำจาไม่พูดเท็จไม่พูด โหสอเสียดให้ผู้อื่นทะเลาะกันในผู้คาหยาบต่อกันห้าไม่ดื่มชุราเมรัยกัญชายาพินเฮโรอีนหกไม่รับประทานอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่เจ็ดไม่พ้อนรำขับร้องดิส ต, ต, ตีเป่า แล้วดูการเล่นมีอันเป็นค่าสึกแก่กุศลอแล้วประดับประดาตกแต่งร่างกายด้ยวยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมเครื่องผัดผิวต่างๆเว้นเอแล้วข้อที่แปดไม่นั่งนอนเหนือ ท, นที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดโดยนุ่นและส้ำรีและ ว, วิจิตดงามต่างๆอย่างนี้ โูรักษาสินแปดก็ให้รู้ไว้รู้ไว้จำไว้ให้แม่นต่อไปเมื่อเรามีโอกาสรักษาสินแปดก็เอาไม่ต้องอยากได้สำรวมระวังกายวาจาของตนไม่ล่วงพุทธบัญญัติที่เราสมทานแล้วต่อไปนี่ให้พากันคิดลึกนะครอบทวนในสินุขทนเมื่อ ได้สมทานไปแล้วเช่นนี้ต้องทบทวนดวูข้อไหนท่านห้ามไม่ทำอะไรข้อไหนท่านห้ามไม่ทำอะไรอย่างนี้เราต้องทบทวนดูถ้าว่านึกไม่ได้สงสัยอะไรก็ถามผู้ที่เพื่อนได้บวชมาก่อนได้บวชทีมูนนั่นแหละต้องถามข้อนี้ท่านสอนในเวทอะไรอย่างนี้น ะ, ะก็ ก็ต้องถามให้เพื่อนชี้แจงให้ฟังแล้วก็จำไว้ต่อไปเราก็จะได้พากันรักษาสินแปดต่อไปเมื่อมีสัาแก่กล้าเข้าไปชีวิตบุคคลผู้ยังตกเป็นทาสแห่งสัญหาอยู่นี่มันจำเป็นต้องได้ท่องเที่ยวเกิดแกเ่เจ็บตายอยู่อย่างนี้เนะี่ไปเรื่อยๆให้พากัน ตื่นตัวแต่ที่เราทำบุญกุศลส่างๆวันนี้ก็เพื่อให้บุญกุศลนั่นมาเป็นกำลังใจให้เรามีจิตใจหนักแน่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของกิกเลสตัณหาขึ้นื่อว่าบุญแล้วนะ ย่อมมีประสิทธิภาพมีอนุภาพกำจัดความชั่วร้ายต่างๆได้ให้พากันเข้าใจว่าไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้จะมากำจัดกิเลสตัณหาในหัวใจของคนเรานี่ให้หมดไปสิ้นไปนอกจากบุญกุศลแล้วไม่มีไม่มี พอให้เข้าใจอย่างนี้แล้วกัน น, ะนักปราชญทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้แหละยังได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ยอดท้อถอยหลังก็เห็นโทษของกิเลสตัณหาว่ามันพาให้เกิดแก่เจ็บตายเข้าโศกเสียใจล้องไห้ลำไลอยู่ในโลกอันนี้นานแสนนานบุคคลใด ไม่เห็นโทษของสรรหานี่ได้รับทุกข์รับโศกอยู่ในโลกพ่นานแสนนานถึงว่ามีความสุขได้ก็เป็นสุขชั่วคราวแล้วสุดท้ายก็ทุกข์นั่นแหละมาตัดนอนความสุขให้มันหมดไปนี่ตองพินามันเห็นแต่เมื่อผู้ที่ยังบุญกุศลยังน้อยอยู่บารมียังอ่อนอยู่ มันก็จําเป็นต้องตกอยู่ใต้อํานาจของสัรหาไปก่อนแต่ว่าขอให้พิจารณาเห็นโทษของมันอย่าไปนึกว่าสัรหานมันมีรสชาติอร่อยร้อยเปอร์เซนอย่าไปคิดเห็นอย่างนั้นต้องแบ่งให้สัรหามันไป50เปอร์เซนตแบ่งให้บุญกุศลจะ50เปอร์เซน อันอย่างนี้มันก็ยังชั่วหน่อยนะอ่าไม่ชีวิตไม่เป็นหมือนหมายเพราะว่างั้นแหละเอา้าตัณหากับตัณห า, หาไปทําบุญกระทาบุญไปแต่ว่าตัณหานั้นอย่าให้เป็นตัณหาไปในทางบาปอกุศลต้องให้เป็นตัณหาทางเป็นไปทางบุญกุศลทางเป็นประโยชน์ตนและผู้เอิญตัณหาอันใดจะพาให้เป็นบาป พาไปทำบาปเช่นไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมกรามุมษสาวาตดื่มสุราเมรยัยกัญชายาฟินเฮโรอีนออย่างนี้ต้องต้องกาจัดมันอย่าให้มันมาเป็นนายเหนือหัวใจของตนเพราะตัญหาประเภทเหล่านี้มีแต่มันจะนำดวงขิดได้ไปสู่ความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในโลกนี้โลกหน้าทั้งนั้นเลย ก็ให้พากันทบทวนดูเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ปราชนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วขั้งเป็นสุมเมธะดาบทนะั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเอาดอกกวบแปดดอกเข้าไปถวายพระฤศรษีตั้งปณิธานความปฎินาขอสร้างบา ร, รมีตามพระคุณเจ้า ตูมเมทะอศีกนรับเอาดอกบัวแปดดอกกับหญิงคนนั้นแล้วเมื่อท่านท่องเทียมณนสงสารหญิงคนนั้นก็ได้เป็นเพื่อนสร้างบา ร, รมีด้วยกันมาเกือบทุกชาติตามตำรามีกล่าวว่าจะภาคกันก็เป็นบางชาติการมีผัวมีเมีย มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไรแต่ว่าขอให้ยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางดำเนินชีวิตของตนเท่านั้นเองเพราะว่าโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วบุคคลต้องเลือกสิ่งใดชั่วแล้วเราไม่ทำไม่พูดมันถ้าคางงานอนไดมันดีมันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเราก็ทำไปพูดไป ต้องให้เข้าใจเป็นสองแง่สองมุมไปอย่างนี้อย่าไปมองแต่แง่ดีด้วยส่วนเดียวแล้วแง่ชั่วไม่มองเลยเช่นนี้แล้วมันไม่ไม่ไหวเมื่อไม่มองแง่ชั่วความชั่วมาถึงเข้าก็ยึดถือเอาฉั้นเป็นอย่างนั้นถ้าเรามองเห็นมุมชั่วมันมีอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราเนี่ยนะ แต่มองเห็นโทษของมันอยู่นี่มันเกิดขึ้นมาเผลอไปมันเกิดขึ้นมาเป็นอะไรก็กําหนดละมันเวลานั้นพอรู้มันนี่เห็นโทษของมันอยู่เห็นความโกรธอย่างนี้นะเราพีนาเห็นโทษของมันแล้วเราระวังจิตใจอยู่นั้นแตาว่าเผลอมันเกิดขึ้นมารู้ทัวแล้วก็รีบกําหนดละเลยอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เห็นโทษของขีเลส เป็นผู้เห็นว่ากิเลสที่ควรละจริงๆถ้าไม่ละ ก, กิเลส ท, ทุกขมันก็ไม่ขาดจากชีวิตจิตใจนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นอยากไปเข้าใจว่าการนับถือพระพุทธศาสนาการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้านั้นจะเป็นไปเพื่อทุกขเพื่อโทษไม่ใช่แล้วหากว่าผูใ้ใดปฏิบัติถูกทางตามที่พระ อ, องค์ สั่งสอนไว้นั่นจะเป็นไปเพื่อความสุขโดยส่วนเดียวความทุกข์จะไม่มาพ้องผ่านอย่างนี้แต่บางคนพระพุทธเจ้าแสดงไว้เขาทำบุญมากเขาสละชีวิตเพื่อบุญกุศลอา้าเราจะทำบุญอย่างนี้แหละเช่นนายมาลาการผู้รักษาสวนพระชาพระเจ้ามีมิศาร เก็บดอกไม้มันจะมาถวายพระราชาแปดกำมือพรพบพระ พ, พุทธเจ้าและพระสงฆ์เดินบินบัดเกิดศรัทธาแรงกล้าล้ำลึกในใจว่าเราจะเอาดอกไม้ในบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงพระราชาจะลงโทษประหารชีวิตเราก็ยอม อ, อย่างนี้นะเพราะว่าเงินรางวัลที่พระราชาให้นั้นใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่ก็หมดไปเลย อันบุญกุศลที่เราทำอย่างนี้นี่มันจะไม่หมดง่ายๆมันจะอานวยผลให้เป็นสุขไปยืดยาวนานแม้ว่าเราจะตายด้วยกันให้ทานนี่เราก็ต้องมีสุขคติเป็นที่ไปเบื้องหน้าเราจะไม่เป็นสู่ทุกขคติเลยคิดอย่างนี้แล้วก็กำดอกไม้กันหนึ่งซัดขึ้นไปบนอากาศ ดอกไม้ก็เป็นตาไข่ลอยไปตามพระพุทธเจ้ากรรมที่สองสัตวขึ้นไปก็เป็นตาไข่กรรมที่สามที่สี่ถุงแปดกรรมก็เป็นตาไข่ล้อมรอบพระองค์ถึงแปดทิศพระองค์เสด็จปินสบาดไปไหนตาไข่ดอกไม้นั่นก็ลอยไปบนอากาศห้อมล้อมพระองค์และพระสงฆ์หลายไป คนทั้งหลายเห็นก็อัศจรรย์ใจตื่นเต้นกันอย่างนี้ส่วนนางเมียของนายสุมณละมลการก็ได้ทราบข่าวว่าผัวของตนเอาดอกไม้ที่มาสวายพระราชานั่นบูชาพระพุทธเจ้าพระทับประสงค์เสียแล้วกลัวอาญยาบันนี้นะก็เลยไปกราบทูลพระเจ้าพิมพิสารข้าพระองค์ได้ยินข่าวว่าสามีงข้าพระองค์เอาดอกไม้ ที่จะเอามาถวายพระองค์นั้นบูชาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วบุญอนไดที่เกิดจากการบูชาดอกไม้ของสามีของอิฉันอิสันไม่ขอรับเอาเลยขอให้เป็นของสามีอย่างเดียวเท่านั้นเ <c oughs> มียกลัวว่าพระเจ้าวิบินสารจะเอาไปประหารชีวิตทั้งผัวทั้งเมียออย่างนี้แหละพระเจ้าวิบินสารก็นึกในประทศไทยว่าแหมหญิงคนนี้มันโง่ ผัวเขาทําบุญกุศลไม่ยินดีด้วยท่านก็เลยบอกว่าเออเราจะพิจารณาโทษของเขาหรอกแกไปเสียวันบัดนี้เมื่อเวลาเสร็จแล้วพระเจ้าวิมินสารก็อาราธนาวิะเจาไปฉันในพระราชวังคนหลายๆก็ไปร่วมทําบุญกันยเยอะแยะเสร็จแล้วพระเจ้าวิวินสารก็เรียกนายสุมาณมาราการมหาถามว่า จะได้เอาดอกไม้แตดกำมือที่เอามาให้แกเรานั่นถวายบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมส่งจริงหรือกราบทูลว่าจริงพระเจ้าข้าถ้าพระองค์เอาดอกไม้จากสวนออกมาเดินดันทางมาพบพระพุทธเจ้าพระสงฆ์บินถบายอยู่ <c oughs> ก็เกิดทราทายอย่างแรงกล้าเ <c oughs> ึื่อตัดสินใจเลยว่าพระราชาจะ ลงโทษปราหารชีวิตหรือโทษฐานใดก็แล้วแต่จะขอเอาดอกไม้ในบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสูงคราวนี้แหละว่ากันถ้าพราะองค์ดำลี่อย่างนี้แล้วชิงได้โยนดอกไม้แปดกำรร ม, มือขึ้นบนอากาศด้วยบุญญานุภาพด้วยพุทธานุภาพกัปรานาในดอกไม้นั้นเป็นตะข่ายลอยตามประสาตดาไป ข้าพระองค์ยิ่งปรติใหญ่ดังนั้นเมื่อพระองค์จะลงโทษข้าพระองค์อย่างไรข้าพระองค์ก็ยอมหมดเลยแทนที่พระเจ้าวิมินสารจะสั่งให้ลงโทษกลับสรรเสริญท่ำเอ๊แกนี่เป็นนักปราดผู้หนึ่งได้เลยเขานี่นะเป็นผู้มีปัญญารู้จักสั่งสมบุญกุศลเธอยอมสละชีวิตเพื่อบุญกุศลแท้ เราขอสารเสริญเยนยอว่าเป็นบนรรฑินักปาาผู้หนึ่งในโลกเอาละเราจะพระราชทานรางวัลให้อย่างละสี่ละสีในสุมนณะมราการก็ไดร้รับรางวัลจากพระราชาช้างก็สี่เชือกควายก็สี่ตัววัวก็สี่ตัวเงินเงินกเห็นจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยพ้าบรรดบุไว้แน่นอน เงินก็คงจะเป็นสี่ช่างสมัยนั้นนะวะ อ, อ่อะไรก็สี่สี่ช่างนั้นแหละบ้านก็หมู่บ้านก็สี่หมู่บ้านนะให้หนายสมณะมลาการไปเก็บภาษีอากรเอามาเลี้ยงครอบครัวอา่าเป็นอย่างนี้เมียก็สี่คนเอาพูดโผงผ่อ ง, อ, งออกไปเลยลหละนายมลาการได้เมียหลายกตัวเมียเก่าซ้ํา ได้มีคนสวยๆคนงามๆด้วยขออนิสงฆ์ที่เขาสละชีวิตถวายบูชาดอกไม้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเนี่ยลองฟังดูสินักปราชญ์ก่อนนะเพื่อนเชื่อบุญเชื่อกุศลถึงขนาดสละชีวิตบูชาได้เลยขอให้พากันเข้าใจดังนั้นพวกเราที่ได้ สละบ้านเรือนมาชุมนมกันสมทานสินห้าสินแปดฟังธรรมภาวนาอย่างนี้ก็นับว่าเป็นการเสียสละมากพอสมควรเพราะเมื่อเทียบกับบุคคลที่ไม่สนใจในสินธรรมบุญกุศลมีอยู่ในบ้านในเมืองเยอะแยะเลย แต่พวกเราที่มากันนี่มีประมาณนิดหน่อยเทียบกับคนอยู่ในบ้านในเมืองเพราะฉะนั้นการเสียสละความห่วงใยอะไรในบ้านในเรือนมาบำเพ็ญบุญกุศลในวัดพระอารามจะเป็นไม่นานก็าตามก็เชื่อว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลก็ขอให้พากัน อธิษฐานในใจว่าเราปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็ให้คิดอย่างนี้เมื่อเราคิดอย่างนี้ได้แล้วอานิสงส์มันก็แรงเพราะว่าเราทําความดีในพุทธศาสนานี่เราไม่ได้ทําอุทิศเพื่อผู้ใดเราทําอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อุทิศต่อพระคุณทั้งสาม น, นี้ ให้เข้าใจเพราะว่าพระคุณดังสามนี้ประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดในโลกนี้กลัวว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็น菩าทดาเอกในโลกนะพวกญาติโยมก็คงอยากได้ฟังมาจนจำเจว่าพราะองค์สร้างบุญบา ร, รมีมาในสงสารนานถึงสี่อสงไขยปลายแสนมากลับ ยึงเต็มบริบูรณ์นะคิดดูสิภูมิของพระเจ้าเป็นภูมิใหญ่ภูมิกว้างถ้าไม่สร้างบุญกุศล น, นานปานนั้นก็ไม่เต็มไม่เต็มตามภูมิของพระเจ้ดาดังนั้นเมื่อพระองค์ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์จึงมีพระปรีชาญาณรู้ระลึกชาติหนหลังได้ ขณะน า, านับไม่ทวนชาติแล้วกร ล, ลึกดูสัตว์โลกทั้งหลายก็รู้เหตุปัจจัยใงชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะมีความสุขหรือความทุกข์เกิดจากการกระทำของตัวเองโดยตรงผู้ใดทำดีกรรมดีมันก็อานวยผลได้เป็นสุขไปในโลกสงสารนี่ ผู้ใดทําชั่วกรรมชั่วมันก็อําอนวยฝนให้เป็นทุกข์ไปพระผู้ได้เจ้าทรงรู้แจ้งเหตุปัจจัยชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้นะดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงคำสัส่งสอนคนทั้งหลายพระองค์จึงสอนให้ลงมือกระทําไม่ได้ทรงสอนให้อ้อนว อ, อนวงสวงบนบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งๆในสากลโลกนี่ อันนี้พระองค์ไม่ได้สอนเลยทรงสอนให้กระทำสิ่งที่ควรทำทรงสอนให้ละสิ่งที่ควรละเพราะว่าในตัวของคนธรรมดาสามัญ น, นี่มันมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ในนี่นะแต่แล้วเมื่อบุคคลไม่มีบุญไม่มีปัญญาก็มองไม่เห็นความชั่วอยู่ในตัวเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ ตนมีความชั่วอะไรอยู่ในนี้มองไม่เห็นเลยทำดีปนกับชั่วไปอยู่นั้นแหละทำบุญให้ทานอยู่แล้วก็ยังโกรธอยู่อย่างงี้น ะ, ะยังอิจฉาใิษยามผู้อื่นอยู่เมื่อใครทำอะไรให้ไม่พอใจก็โกรธนี่เรียกว่าทำดีปนเปกับความชั่วอันนี้นะดันั้นถ้าผู้ทำบุญจริง ใจมีเมตตากรุณาจริงอย่างนี้นะแม้ใครมายั่วยวนชวนทะเลาวิวาสก็ไม่เอาใครมาด่ามาว่าเสียสีอะไรให้เจ็บอกเจ็บใจก็ไม่โกรธตอบไม่ด่าตอบอาหา่อาโหา่ที่รมไม่เขาไว้ไม่ไม่ขอสร้างกรรมสร้างเวรผูกพันกันไปในสงสาร อธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอไปอย่างนี้นะนี่แหละจึงเรียกว่าผู้ทำบุญมีแต่บุญล้วนๆอยู่ในใจไม่มีบาปอยู่ในใจถ้ามีทั้งบุญทั้งบาปอยู่ในใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคนส่วนหลายนี่มีทั้งบุญทั้งบาปอยู่ในใจดังนั้นพวกเราที่มาได้ยินได้ฟังอย่างนี้ตื่นตัวแล้ว อย่าปล่อยให้ความชั่วคือความโลภความโกรธความหลงอะไรครอบงำจิตใจตัวเองให้หนาแน่นถ้าปล่อยกิเลสแล้วนั้นครอบงำจิตใจแล้วจิตใจมันก็จะดำอมาเหตุไม่มีเมตตากรุณาต่อใครแล้วก็จะใช้กายวาจาเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปเรื่อยไป โดยที่มองไม่เห็นว่าเป็นกรรมเป็นเวรเป็นบาปอะไรเลยอย่างนี้นะอควรพิจารณาดูให้เห็นนะเมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งความโลภโกรธหลงเหล่านี้แล้วเราก็พยายามบำเพ็ญข้อวัตรปฏิบัติอันเป็นเครื่องกําจัดกิเลสเหล่านี้เรื่อยไปเช่นยินดีในการให้การบริจาคทานมันก็เป็นการ กำจัดความโลภความตนีออกจากจิตใจเรื่อยไปแต่ว่าเมื่อทั้งนี้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปทีเดียวนะมันไม่หมดไปง่ายฉะนั้นการทําทานเราจึงทำเรื่อยไปเมื่อมีโอกาสมาเมื่อใแเราก็ทำไปเพื่อขจัดความโลภความตนีอยู่ในใจิตใจให้ก็บางออกไปเรื่อยๆอ้า คุณธรรมที่จะกำจัดความโกรธก็คือเมตตากรุณาต้องเจริญเมตตาปาา่าทะน้ายสัตว์ทั้งหลายเป็นถุกทุกขทั่วหน้าทั้งคนชั่วทั้งคนดีทั้งคนรวยทั้งคนจนอะไรก็อธิษฐานในใจขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุกทุกขทั่วหน้าอย่ามีเวรตอกันด้วยกันเลยนี่นะ เมื่อหากว่าเราจะเป็เมตตามากๆขึ้นไปอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็รักษาศีลได้แบบนี้นะรักษาศีลห้าได้เลยเอา้าวศีลข้อที่ห้านั่นก็เมตตาตนสิแบบนี้นะโอ้ตนทำไมมาม า, ม, า, ม, า, ม, ามัวเมาดื่มของสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรเอนอยู่เนี่ยตนก็ลงทุกข์และทุกข์ในปัจจุบันนี้เองเงินทองมีเท่าไหร่ ขอนควายมาได้เท่าไรก็ไปซื้อของเสพติดเหล่านี้บริโภคจนหมดเนื้อหมดตัวก็มีบางคนนะอเป็นงั้นไม่ใช่ว่ามันจะไปให้ผลเป็นทุกข์ในชาติหน้าอย่างเดียวอะมันให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี่จไปทั้งสุขภาพร่างกายก็ชุดโทมอของเสพติดเหล่านี้มีพิษอยู่ในตัวเลยมูลี่นี่มันเป็นจอมแห่งความพิษ ความรูร้ายเพื่อดูดเข้าไปแล้วดูดควันมันเข้าไปในกระเพาะในตับในปอดต้นให้ควันเข้ามาันก็ซึมซาบเข้าสู่ตับสู่ปอดไปทำลายเยื่อในตับในปอดไอที่หล่อเลี้ยงตับปอดให้สดชื่นอยู่นั่นนะให้เสื่อมคุณภาพลงไปอันนี้แหละที่คนเป็นโรคตับโรคปอดนี่นะมันเนื่องมามาแต่ไป เสพของเสพติดเข้าไปเผาผลาญอาวัยวะน้อยใหญ่ของตนนะแล้วจะไม่ให้เป็นโรคตับโกกัโรคปอดอยังไงจะไม่ให้เป็นโรคอะไรยังไงเล่าล้อ<ฮ>คนเรานี่ไม่รักตัวเองอยัางว่านั่นเละไปรักกิเลสตัณหาอย่งกวัวตัวเองอืมเมื่อมันอยากอะไรแนละ้วจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็ช่างเอามันแหละเลอ<ฮ>มันจะตกทุกข์ได้ยากในเพราะ ความอยากอันนี้เพราะสร้างเสพของเสพติดต่างๆหรือของให้โทษต่างๆมือนี้มันจะเป็นบาปเป็นกรรมก็แล้วแต่อันบุคคลผู้มีตัณหามากแล้วมันเป็นอย่างนนี้ไม่กลัวลันลกไม่กลัวบาปกรรมอะไรเลยไม่กลัวอะไรทั้งนั้นขอให้ได้ทําอะไรลงไปตามความปรารถนาตามความต้องการของตนก็เอาแล้วอเมื่อเป็นเช่นนี้นะ ขราพเจ้าจึงผู้มีพระผีชัยอนอย่างรู้ความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยองจึงนำมาแสดงเยว่าคนทำบาปกรรมมากมายในโลกนนี้ตายแล้วไปตกนรกเหมือนกับเข้าศายัดอยู่ในไทยแออัดแคบเคียกันอยู่ในนรกตัวนึอเป็นอย่างนั้นเพราะองค์จึงเปรียบอีกอย่างหนึ่ง พระองค์เปรียบว่าบุคคลทําบุญกุศลจะขึ้นสวรรค์นี่เปรียบเหมือนเขาวัวบุคคลทําบาปทํากรรมชั่วแล้วตกนรกเหมือนกับขนวัวอลองคิดเทียบกันดูสิระหว่างคนบุญกับคนบาปอ่ะอะไรจะมากกว่ากันอพระองค์เจ้าไม่ใช่ว่าพราะองค์เดาเอานะพระองค์เห็นแจ้งด้วยพยานแล้ว จึงนำมาสแสดงให้พุทธบริษัททงางลหยฟังเช่นนี้ดังเราจะเห็นได้ในปัจจุบันนี่แหละคนที่เพียรละความชั่วทำความดีมีน้อยเดียวอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคนที่ไม่สนใจที่จะมาละความชั่วทำความดีรู้อำนาจเกียรติศรัทธาอยู่ในบ้านในเมืองเยอะแยะเลยอลองคิดดูอย่างนั้นแหละ ดังนั้นเมื่อตายแล้วมันยึงว่าไปสู่นรกนั่นเหมือนกับฐานยัดไทถมพวกเราก็ขอให้ภาคภูมิใจกันเมื่อเราพิจารณาดูกายวาจาใจของตนแล้วว่าบริสุทธิ์ไม่เป็นบาปเป็นโทษตนไม่ทำบาปหาทางเว้นจากบาปแล้วพยายามหาทางทำแต่บุญกุศลอย่างเดียวอย่างนี้นะเมื่อเพ่งดูความ บริสุทธิ์ทางกายวาจาใจลุทชนปรากฏชัดเจนมันก็ปีติและอิ่มใจเลยว่าตนนั้นมีบุญกุศลมีคุณพรัศนาไกลเป็นที่พึ่งแล้วจะตายวันใดเราก็ไม่สะทกสะทานเพราะภาวนาอยู่ทุกวันว่าเกิดมาแล้วต้องตายเห็นแจ้งในความตายอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่สร้างที่พึ่งไว้ในใจอย่างนี้เพราะว่าพอตายลงแล้วอย่างนี้นะ เราก็แยกออกเป็นสองสองประการนนะ่ะจิตส่วนหนึ่งกายส่วนหนึ่งอเอา้าจิตนั้นเมื่อตายลงร่างกายนี้อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วจิตนั้นก็อาศัยบุญกุศลอาศัยคุณพระศาสนาใครที่ได้สั่งสมอบรมให้เกิดมีในตนนั่นแหละบุญคุณเหล่านั้นน่ะนำไปแบบนี้นะอา่า บุญคุณเหล่านั้นนำดวงขีดนี่ไปเกิดที่สุขสบายส่วนร่างกายนี่ก็จัดการเผากันหรือจะเท่ากับกระดูกเท่านั้นเองก็ลองคิดดูให้ดีอย่างนี้แหละไอ้ร่างกายคนเราเนี่ยเมื่อเราแยกแยะดูด้วยอุบายปัญญาด้วยอำนาจแห่งสมาธิแล้วเราจะเห็นได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในอภิมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทพยายามละสิ่งที่มันชั่วออกจากกายวาจาใจของตนแล้วพยายามกระทำสิ่งที่ดีเข้าใส่กายวาจาใจของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้